ถ้ามบทแปลเรื่องที่หนึ่งห้าเรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดีข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราพภิกษุผู้ไม่ยินดีในพรหมจา ร, ร์รูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณกาห้าปนวัตเซนะเป็นต้นตอน ภิกษุหนุ่มกระสันอยากศึ ก, กได้ยินว่าภิกษุนั้นปรรประชาแล้วในศาสนาได้อุปสมบทแล้วอันพระอุปชาส่งไปด้วยคำว่าเธอจงไปที่ชื่อโน้นแล้วเรียนอุเทศได้ไปในที่นั้นแล้วครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่บิดาของท่านเขาเป็นผู้ใครจะได้เห็นบุตร แต่ไม่ได้ใครๆที่สามารถจะเรียกบุตรนั้นมาได้จึงบ่นเพอ้ออยู่เพราะความโศกถึงบุตรนั้นแลเป็นผู้มีความตายอันใกล้เข้ามาแล้วจึงสั่งน้องชายว่าเจ้าพึงทำทรัพย์นี้ให้เป็นค่าบาทและชีวรแก่บุตรของเราแล้วให้ทรัพย์หนึ่งรกระหาปณ ะ, ะไว้ในมือของน้องชายได้ทำกาละแล้ว ในการที่ภิกษุหนุ่มมาแล้วล่องชายนั้นจึงหมอบลงแทบเท้าร้องไห้กลิ้งเกลือกไปมาพลางกล่าวว่าท่านผู้เริญบิดาของท่านทั้งหลายบนถึงอยู่เที่ยวทํากาละแล้วก็บิดานั้นได้มอบกหาปณะไว้หนึ่งรในมือของผมผมจะทําอะไรด้วยทรัพย์นั้นภิกษุหนุ่มจึงห้ามว่า เราไม่มีความต้องการด้วยกหาปะนะในการต่อมาจึงคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยการเที่ยวไปบินตาทดในตระกูลอื่นเลี้ยงชีพเราอาจเพื่อจะอาศัยกหาปะนะหนึ่งรนั้นเลี้ยงชีพได้เราจักศึกละเธอถูกความไม่ยินดีบีบคั้นแล้วจึงสละการสาทยายและพระกรรมฐาน ได้เป็นเหมือนผู้มีโรคผอมเหลืองครั้งนั้นภิกษุและสามเณรถามเธอว่านี่อะไรกันเมื่อเธอตอบว่าผมเป็นผู้กระสันจึงพากันเรียนแก่อาจารย์และอุปชาทีนั้นอาจารย์และอุปชาเหล่านั้นจึงนําเธอไปยังสํานักของพระศาสดาแสดงแด่พระศาสดาแล้ว พระศัสดาตรัสถามว่าภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือเมื่อเธอกราบทูลรับว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าตรัสว่าเพราะเหตุไรเธอจึงได้ทําอย่างนั้นก็อะไรอะไรที่เป็นปัจจัยแห่งการเลี้ยงชีพของเธอมีอยู่หรือภิกษุมีพระเจ้าข้าพระสัสดา อะไรของเธอมีอยู่ภิกษุกหาปณะหนึ่งร้พระเจ้าค่าพระสัสดาถ้ากระนั้นเธอจงนำก้อนกรวดมาแม้เพียงเล็กน้อยก่อนเธอลองนับดูก็จะรู้ได้ว่าเธออาจเลี้ยงชีวิตได้ด้วยกหาปณ ะ, ะจานวนเท่านั้นหรือหรือไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้ภิกษุหนุ่มนั้น จึงนำก้อนกรวดมาตอนความอยากให้เต็มได้ยากทีนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับเธอว่าเธอจงตั้งไว้ห้าสิบเพื่อประโยชน์แก่เครื่องบริโภคก่อนตั้งไว้24เพื่อประโยชน์แก่โคสองตัวตั้งไว้ชื่อมีประมาณเท่านี้เพื่อประโยชน์แก่พืชเพื่อประโยชน์แก่ แและไถเพื่อประโยชน์แก่จอบเพื่อประโยชน์แก่พราและขวานเมื่อเธอนับอยู่ด้วยอาการอย่างนี้กะหาปณะหนึ่งรนั้นย่อมไม่เพียงพอครั้งนั้นพระศาสดา จ, จึงตรัสกับเธอว่าภิกษุกะหาปณะของเธอมีน้อยนักเธออาศัยกะหาปณะเหล่านั้นจะให้ความทยานอยากเต็มขึ้นได้อย่างไร ได้ยินว่าในอดีตการบัณฑิตทั้งหลายครองจกักรพรรดิราชสมบัติสามารถจะยังฝนคือรัตนเจ็ดประการให้ตกลงมาเพียงสะเอลในที่ประมาณ12โยชนโยดด้วยอาการศัก์ว่าปลบมือแม้ครองราชสมบัติในเทวโลกตลอดการที่เท้าส ก, กะส6พระองค์จุติไปในเวลาตาย ก็ไม่ยังความอยากให้เต็มได้เลยได้ทำกาละแล้วอันภิกษุนั้นทูลวิงวอนแล้วทรงนำอดีตนิทานมายังมันทาตุราชาดกให้พิสดารแล้วในลำดับแห่งพระคาถานี้ว่ายาวตาจันดิมาสุริยาดิซาพันติวิโรจนาัาเบวดาซามันทาตุ เยปนาปทวิน ah no no ิสิตาพระจันทร์และพระอาทิตย์ยอมหมุนเวียนไปส่องทิศให้สว่างสวายอยู่กำหนดเพียงใดสัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยแผ่นดินทั้งหมดเทียวย่อมเป็นทาสของพระเจ้ามันทาตุราชกำหนดเพียงนั้นทรงได้พระสิทธสองพระคาถานี้ว่านักห้าปนวัซเสนะ ติตาเมสุวิจติอัปัสซาดาดุ่ากามาอิติวิญญยายปันดิโตอปิดิบเบสุกาเมสุระติงโซนาทิคชติตันหักขยะระโตโหติซัมมาสัมบุตธสาวะโกความอิ่มในการทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะนะ กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้แจ้งดังนี้แล้วท่านย่อมไม่ถึงความยินดีในการทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์เพราะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาตอนแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากะก้าปนวะเซนะ ความว่าบัณฑิตนั้นปลบมือแล้วยังฝนคือรัตนเจ็ดประการให้ตกลงได้ฝนคือรัตนเจ็ดประการนั้นตรัสให้ชื่อว่ากหาปนวัสั่งในระกาถานี้ก็ ข, ขึ้นชื่อว่าความอิ่มในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมย่อมไม่มีแม้เพราะฝนคือรัตนะทั้งเจ็ดประการนั้นความทยานอยากนั่น เต็มได้ยากด้วยอาการอย่างนี้บทว่าอปปัซาดาคือชื่อว่ามีสุขนิดหน่อยเพราะข่าที่กามมีอุปมาเหมือนความฝันเป็นต้นบทว่าทุกขาคือชื่อว่ามีทุกข์มากแท้โดยสามารถแห่งทุกข์อันมาในทุกขขันธสูตรเป็นต้นบทว่าอิติวิญญายะคือ รู้การทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้บทว่าอ ป, ปิทิเพสุความว่าถ้าใครๆพึงเชื้อเชิญด้วยการอันเข้าไปสาเร็จแก่เทวดาทั้งหลายถึงอย่างนั้นท่านย่อมไม่ประสบความยินดีในกามเหล่านั้นเลยเหมือนท่านพระสมิทธิที่ถูกเทวดาเชื้อเชิญฉะนั้นบทว่าตันหักขยรโต ความว่าเป็นผู้ยินดียิ่งในพระอรหันต์และในพระนิพพานคือปรารถนาพระอรหันต์และพระนิพพานอยู่ภิกษุโยคาวจรผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชื่อว่าพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการจบเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปติผล เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วจังนี้แลเรื่องพิกสุผู้ไม่ยินดี